วันนี้เป็นวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายพุทธบริษัตวผู้มีเจ็ดศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มาพบปะกัน เพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่จะนำมาทั้งความสุขและกำจัดความทุกข์ต่างๆทั้งหลายให้หมดไปวันนี้เราจะมา ศึกษาวิธีบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่ชีวิตของพวกเราการจะบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่ชีวิตของพวกเราเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือชีวิตของเราชีวิตของเราประกอบด้วยอะไรชีวิตของพวกเรานี้ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือร่างกายที่เรามองเห็นกันและส่วนที่สองคือจิตใจที่เรามองไม่เห็นกันซึ่งทั้งสองส่วนนี้เป็นเหมือนบุคคลสองบุคคลไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็อาจจะคิดว่าร่างกายและจิตใจนี้ เป็นส่วนเดียวกันดูแลร่างกายแล้วก็จะได้ดูแลจิตใจไปด้วยแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดูแลร่างกายอย่างเดียวก็ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับร่างกายเพียงส่วนเดียวแต่ไม่ได้ไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่จิตใจที่เป็นอีกส่วนหนึ่ง ร่างกายกับจิตใจนี้เปลี่ยนเหมือนกับแฝดสยามอินกับจันเราเห็นแต่ร่างกายแต่เราไม่เห็นจิตใจเราก็ไปดูแลเรื่องของร่างกายโดยที่ไม่ได้ไปดูแลเรื่องของจิตใจร่างกายของเราก็สุขสบายกันทุกคนแต่จิตใจของพวกเรานี้กับวุ่นวายกันไม่รู้จักจบจากสิ้น เพราะเราไม่ได้ดูแลจิตใจเพราะเราไม่รู้ว่าจิตใจนี้เป็นอีกคนหนึ่งในชีวิตของเรา<ม>ชีวิตของเรานี่เป็นเหมือนแฝดสยาม ม, มีทั้งอินมีทั้งจันทร์<ม>อินก็คือร่างกายจันท์ก็คือจิตใจแต่เราดูแลเพียงอินคนเดียวไม่ดูแล<ม>จันทร์ จันก็เราหิวโหยอดอยากขาดแคลนส่วนใหญ่เราจะดูแลร่างกายกันแต่เราไม่ค่อยได้ดูแลจิตใจกันเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่าเรามีสองส่วนเราไปคิดว่าเรามีเพียงส่วนเดียวเพราะเราเห็นเพียงส่วนเดียวเราเห็นเพียงแต่ร่างกายของเราเรามองไม่เห็นจิตใจ ที่มาเกาะติดกับร่างกายเหมือนกับแฝดสยามแฝดสยามคือฝาแฝดที่เกิดมาแล้วร่างกายติดกันสมัยก่อนนี้เขาไม่มีวิชาความรู้ที่จะแยกร่างกายของแฝดได้แต่สมัยนี้เขามีวิชาความรู้ความสามารถพอที่จะแยกร่างกายแฝดสยามให้แยกอยู่กัน ได้โดยที่ไม่ต้องมาอยู่ติดกันไปจนวันตายนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรานี้มีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจและความต้องการของร่างกายและของจิตใจก็ต่างกันไม่ใช่ดูแลความต้องการของร่างกายแล้วจะดูแ ล, แลจิตใจไปพร้อมๆกันนั้น ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอสิ่งที่จิตใจต้องการกับสิ่งที่ร่างกายต้องการนี้ไม่เหมือนกันนั่นเองดังนั้นเราจึงต้อง ม, มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงจะหูตาสว่างขึ้น<ม>เราจะได้มาดูแลชีวิตของเราให้ได้ ความสุขและกำจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงทุกวันนี้เรากำจัดความทุกข์ทางร่างกายหาความสุขให้กับทางร่างกายได้แต่เรายังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจหาความสุขทางใจให้ได้มากเท่าที่ควรเราจึงต้องมาศึกษา พราะทำคำสั่งคำสอนกันเพื่อที่เราจะได้รู้จากวิธีดูแลร่างกายและรู้จากวิธีดูแลจิตใจไปพร้อมๆกันด้วยถ้าเราดูทั้งดูแลทั้งร่างกายดูแลทั้งจิตใจต่อไปเราจะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจเราจะไม่มีความทุกข์ทางร่างกายและทางจิตใจ ยกเว้นเรื่องที่เป็นธรรมดาของร่างกายคือความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นเรื่องของเป็นธรรมดาของร่างกายที่ทุกคนก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพักๆไปนอกเหนือจากนั้นเราก็สามารถที่จะเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ แล้วเราก็มาเรียนรู้วิธีที่จะดูแลจิตใจของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขอีกส่วนหนึ่งดังนั้นส่วนแรกคือร่างกายนี้เราต้องดูแลร่างกายด้วยอะไรจึงทำให้ร่างกายของเรานี้ไม่ทุกข์ยากลำบากไม่ขัดสนให้มีความสุขคือสิ่งที่ร่างกายต้องการ สี่ประการด้วยกันที่เรียกว่าปัจจัยสี่คือหนึ่งอาหารสองเครื่องนุ่งหม่สมสที่อยู่อาศัยสยารักษาโรคปัจจัยสี่นี้พวกเราคงจะรู้จักกันเพราะเราใช้กันอยู่ทุกวันเพราะว่าร่างกายถ้าขาดปัจจัยสี่ไปเมื่อไหร่ ร่างกายก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นความสุขที่ได้ทางร่างกายก็จะหายไปเราจึงขวนขวายหาปัจจัยสี่มาคอยเลี้ยงดูร่างกายกันเราหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายหาเครื่องนุ่งห่มมาสวมใส่เพื่อป้องกันภัยที่จะมาทำให้ร่างกาย เจ็บไข้ได้ป่วยเราหาที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบดินฟ้าอากาศหลบภัยจากสัตว์ ร, ร้ายหลบภัยจากบุคคลมิจฉาชีพเป็นต้นแล้วเราก็มียาเตรียมยาไว้เผื่อเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย<ม>เราก็ใช้ยารักษากันมีแผลก็มียาทา ทาแผลให้เวลาคันตรงนั้นตรงนี้ก็มียาหม่องไว้ทามียาน้ำไว้ทาเพื่อบันเทาเรามียาชนิดต่างๆถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วทางร่างกายนี้ก็จะอยู่อย่างสุขสบายไม่ทุกข์ แต่การเลี้ยงดูร่างกายนี้เราก็ต้องรู้จักขอบเขตรู้จักประมาณเพราะถ้าไม่รู้จักขอบเขตไม่รู้จักประมาณการเลี้ยงดูร่างกายของเราอาจจะเป็นการไปสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจกับจิตใจของเราได้ <Yeah. S 1> เช่นถ้าเร า, เ, าเลี้ยงดูร่างกายแบบหรูหราแบบฟุ่มเฟือย มันก็จะกดดันให้จิตใจเราต้องเครียดกับการหาเงินหาทองได้ถ้าเรามีเงินทองไม่พอที่จะเลี้ยงดูร่างกายเราแบบหรูหราแต่เราอยากจะให้เลี้ยงแบบหรูหราอยากจะกินอาหารแบบหรูหราอยากจะใส่เสื้อผ้าแบบหรูหราอยากจะใช้ของราคาแพงๆต่างๆซึ่งถ้าเราไม่มีไม่อยู่ในฐานะที่จะ มีเงินทองแบบนั้นไม่ใช้เราก็ต้องไปดิน้นหลนต้องไปดิน้นหลนหาเงินมาเพื่อมาใช้ใจ่ายให้กับร่างกายการทําแบบนี้ก็เรียกว่าทําเกินความพอดีของฐานะของเรามันก็จะทําให้ไปกดดันจิตใจทำให้จิตใจเครียดกับการหาเงินหาทองและอาจจะบีบให้จิตใจไปกระทา สิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจคือไปทำบาปได้ดังนั้นการเลี้ยงดูจิตใจลนะเลี้ยงดูร่างกายเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับจิตใจไม่ให้ไปสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเราต้องใช้หลักมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือให้มีพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย เช่นอาหารก็ให้มีอาหารที่ร่างกายต้องการเช่นรับประทานวันละสามมือ้อแต่อราคาของอาหารนี้มันมีหลายระดับด้วยกันมื้อละร้อยก็มีมื้อละพันก็มีมื้อละหมื่นก็มีเราก็ต้องดูฐานะของเราว่าฐานะของเรานี้อยู่ในระดับไหนระดับร้อยหรือระดับพันหรือระดับหมื่น หรือถึงแม้เราจะมีฐานะอยู่ในระดับสูงแต่ถ้าเราใช้หลักของเหตุผลมาพิจารณาเราก็จะพิจารณาเห็นได้ว่าความจริงอาหารนี้ไม่ว่าจะเป็นมีราคามื้อละเท่าไหร่ก็ตามแต่พอรับประทานเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันทำให้ร่างกายมีความสุขได้เหมือนกัน บำบัิความทุกข์ที่เกิดจากความหิวของร่างกายได้เหมือนกันแล้วเราทำไมจะต้องไปเสียเงินเสียทองให้มากมายไปเปล่าประโยชน์ไปเปล่าๆในเมื่อผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการรับประทานอาหารนี้มันได้เท่ากันอิ่มเหมือนกันดับความหิวได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารมื้อละร้อยหรือมื้อละห้าร้อยหรือมื้อละพันเมื่อรับประทานเกาไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันส่วนความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารตามความอยากของเหล่านี้มันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขเดียวเดียวเวลาที่เราได้รับประทานอาหารหรูหรก็รู้สึกว่ามีความสุข แต่มันก็เดี๋ยวพอมันกินเสร็จมันก็ผ่านไปมันก็หมดไปความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารคือความอิ่มนี้ก็เท่ากันกินอาหารมื้อละร้อยก็เท่ากันมื้อละห้าร้อยก็อิ่มเหมือนกันมื้อละพันก็ดับความหิวได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีธรรมะแล้วมักจะใช้หลักมากน้อยสันโดษ นักน้อยก็คือหาอาหารที่พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงว่าจะต้องเป็นของแพงๆของถูกถ้าทำหน้าที่ได้เหมือนกันก็เลือกเอาของถูกดีกว่าเพราะจะได้ไม่เป็นภาระกับทางจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นผู้ที่ใช้ร่างกายไปหาเงินทองมาเลี้ยงดูร่างกาย ถ้าเลี้ยงดูร่างกายด้วยเงินทองมากจิตใจก็ต้องเหนื่อยมากต้องหาเงินทองมากต้องเครียดกับการหาเงินหาทองและอาจจะไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ชอบที่จะนำความทุกข์มาให้กับจิตใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกดัง น, นั้นเราอาจจะไปเลี้ยงดูร่างกายเกินเหตุเกินผลแล้วก็ไป สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจโดยใช่เหตุเราจึงต้องใช้หลับมากน้อยสันโดษมากน้อยมากน้อยก็คือใช้ให้น้อยที่สุดแต่ก็ให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายถ้าน้อยเกินไปต่อความต้องการของร่างกายร่างกายก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เกิดอาการสู้ผอมได้ ก็ต้องให้มีพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายอย่างพระนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เลี้ยงร่างกายด้วยการออกบินธบาทให้ไปบินทบาตแล้วก็ให้ฉันวันละมือก็พ อ, อถ้ามักน้อยแบบพระนี่ก็ฉันมือเดียวก็พอร่างกายนี้รับประทานครั้งเดียวก็อยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีความอิ่มได้เหมือนกับกินสามมื้องนั้นท่านสอนให้พระฉันมื้อเดียวแล้วก็ให้ฉันให้หาอาหารโดยการไปบินธบาตคือไม่ต้องไปเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไปบินธบาตได้อาหารชนิดไหนมาก็ใช้มันไปเพื่อให้ดับความหิวของร่างกายเท่านั้นเอง พราะความหิวของร่างกายหายไปความทุกข์ก็หายไปความสุขทางร่างกายก็ปรากฏขึ้นมาถ้าเราใช้น้อยเราก็หาน้อยไม่ต้องหามากหาน้อยก็สบายกว่าหามากหามากก็ต้องทำงานมากหาน้อยก็ทำงานน้อยทำงานมากก็ทำให้เกิดภาระกระทจิตใจ เพราะผู้ที่ทำงานก็คือจิตใจและร่างกายด้วยแต่แต่ผู้ที่ทุกข์คือจิตใจที่จะต้องทุกข์กับการหาเงินมาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายล้าต้องใช้มากก็ต้องหามามากต้องเหนื่อยมากต้องทุกข์มากดังนั้นเราต้องหาแบบที่จะทำให้ความทุกข์ใจนี้น้อยที่สุดคือหลักนักน้อยสันโดษนี้เป้าหมายคือ ให้หาละให้หาสิ่งที่ร่างกายต้องการที่พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแต่ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจหรือสร้างความทุกข์ให้กับใจให้น้อยที่สุดให้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น <Yeah. S 1> ดูตัวอย่างของพระเป็นตัวอย่างของมักน้อยสันโดษยิ <Yeah. S 1> ย่งถ้าสันโดษนี้ยิงย่งยิ่งยิ่งมากกว่ายิง่ง ยิ่งดีกว่ามากน้อยสันโดยก็คือยินดีตามมีตามเกิดบางวันอาจจะได้น้อยกว่าความต้องการของร่างกายก็ไม่เดือดร้อนก็เอาตามมีตามเกิดอย่างนี้ยิ่งทำให้ใจสบาย ใ, ใจไม่ต้องมาคอยวุ่นวายว่าจะต้องต้องกินเท่านั้นต้องกินเท่านี้วันนี้อาจจะกินไม่ได้เท่านั้นตามที่เคยตามมาตรฐานของร่างกาย อาจจะลดลงไปครึ่งหนึ่งกินได้หาได้ครึ่งเดียวหาได้ครึ่งเดียวก็กินครึ่งเดียวไปยินดีตามมีตามเกิดไปอันนี้ก็อยู่ได้ไม่ตายแต่ทําให้ใจนี้สบายใจไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้ อ, น, อนนี่คือคําว่าสันเดินยินดีตามมีตามเกิดมากน้อยก็คือ ใ ห, ให้ให้มีเท่าที่ความจะให้มีพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายไม่ให้มีมากเกินกว่านั้นเรียกว่ามากน้อยไม่มากมากไม่มากมา ก, มากเกินต่อความต้องการของร่างกาย <c oughs> แล้วมันจะทำให้ไม่ไปมีปัญหาไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับทางจิตใจเพราะจิตใจเราก็ <c oughs> <ร>ต้องดูแลคอยกําจัดความทุกข์แล้วก็คอยสร้างความสุขให้กับจิตใจด้วยเหมือนกัน ดังนั้นถ้าเราใช้หลักมากน้อยสันโดษในการหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายมันก็จะทำให้ความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการหาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายนี้น้อยน้อยที่สุดเช่ น, นอาหารของพระนี่ก็ฉันในบาทบินตบาตมาฉันในบาทก็ง่ายเพราะว่า เวลาจะล้างถ้วยล้างชามก็ล้างใบเดียวถ้าชั้นในชามก็ต้องมีจานมีช้อนมีถ้วยมีต้องมีสายอาหารชนิดต่างๆแต่ละจานก็อาหารชนิดหนึ่งก็จานหนึ่งของหวานของขาวก็แยกไปอีกพอกินอิ่มแล้วโอ้โหเหนื่อยเห็นกองถ้วยชามที่จะต้องล้างขึ้นมาเหนื่อยใจไม่ใช่เหนื่อยร่างกาย ไปสร้างภาระให้กับจิตใจใช้หลักมากน้อยสันโดษดูแบบพระเอาแบบพระเป็นตัวอย่างแต่อาจจะไม่ต้องทําเท่ากับพระก็ได้แต่ทําคล้ายๆพระก็แล้วกันพระนี่แหละเป็นแบบฉบับที่ดีที่สุดในการเลี้ยงดูร่างกายพระบุตรเจ้าสอนพระให้บินฑบาตคือให้ยินดีกับอาหารที่ได้มาตามที่เขาให้มา ไม่ใช่ให้ไปเลือกอาหารสั่งลูกศิษย์ว่าวันนี้จะกินอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้อาหารชนิดไหนมันก็เหมือนกันมันทำหน้าที่ได้เหมือนกันกินเข้าไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนกัน <S <S กำจัดความหิวได้เหมือนกันยังนอย่าไปวุ่นวายเพราะมันทำไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจให้กินแบบยิยนดีตามมีตามเกิดมากหรือน้อยชนิดไหนก็ตาม กินได้ทั้งนั้นน่ะร่างกายมันไม่เลือกหรอไอคนที่เลือกมันไม่ใช่ร่างกายคือจิตใจมันหรือกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจมันเป็นตัวเลือกตัวกิเลสนี่นแหละเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเราที่พวกเราต้องคอยกําจัดมันอยู่เรื่อยๆต้องคอยควบคุมมันอยู่เรื่อยๆอย่าไปทําตามกิเลสทาตามกิเลสแล้วจะทุกข์ใจมากกว่าจะสุขใจ วิธีไม่ทําตามกิเลสก็คือใช้หลักมักน้อยสันโดษเป็นการปราบกิเลสในเรื่องการหาปัจจัยสี่อาหารของพระก็อย่างที่บอกบินทบาทและเวลาฉันก็ฉันในบาทจะได้ไม่มีภาระกับใจเรื่องที่จะต้องไปล้างถ้วยชามอะไรต่างๆล้างบาตรเพียงใบเดียวนั้นเองแป๊บเดียวก็เสร็จถ้ากินแบบใช้ถ้วยใช้ชาม แยกอาหารแยกของข่าวของหวานก็ต้องใช้จานหลายใบยใช้ชามหลายใบยใช้ช้อนอะไรต่างๆก็จะมีภาระที่จะต้องทำความสะอาดอยู่แบบเรียบง่ายเนะี่ยดีที่สุดทำให้ไม่ไปกดดันจิตใจไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจอาหารของพระก็มื้อเดียวก็พอนั่งกายนี้ ถ้าได้รับอาหารพอเพียงครั้งเดียวก็พอไม่ต้องรับประทานสามมือ 4, ม้อสี่มื้อส่วนใหญ่ที่รับประทานสามสี่มื้อนี้รับประทานด้วยความหิวความอยากของกิเลสมากกว่ากิเลสอยากหาความสุขจากการรับประทานนั่นเองเลยอ้างเหตุว่าร่างกายต้องกินหลายมือ้อตาจริงกินมื้อเดียวนี่ก็อยู่ได้ กูบาอาจารย์ท่านอยู่ได้ถึงอายุเก้าสิบกว่าร้อยปีท่านก็ฉันมื้อเดียวกันมาไม่ตายมีแต่พวกญาติโยมที่กินหลายมื้อเนี่ยที่ตายก่อนหลายด้วยความอ้วนนะตายด้วยโรคไขมันอุดตันตายด้วยโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจนี่ยมันมาจากการที่กินมากเกินไปไม่ได้กินน้อยเกินไปกินมากเกินไป คนผอมนี่ไม่ค่อยเป็นโรคภัยแค่เจ็บเท่าไหร่คนอ้วนนี่ยมีปัญหาเยอะเมื่อเช้านี้เจอญาติโยมคนหนึ่งเปลี่ยนไปคยอ้วนเอามามาผอมลงถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้ลดน้ําหนักลงเลยก็บอกหัวเขา่าต้องลดน้ําหนักเพราะถ้าถ้ า, ถาร่างกายมีน้ําหนักมากมันก็ไปกดดันกับหัวเขา่าหัวเข่าต้องรับน้ําหนักมากหัวเข่าก็จะเสื่อมเร็ว แล้วต่อไปก็อาจจะเดินไม่ได้ mm hmm. เขาก็เลยต้องพยายามลดน้ำหนักลดการกินอาหารให้น้อยลงดั mm hmm. งนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องการเลี้ยงดูร่างกายว่าอย่าไปเลี้ยงจนทำให้มันกลายเป็นทำร้ายร่างกายไปโดยไม่รู้สึกตัว mm hmm. ต้องให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง mm hmm. ตามความรู้ของทางแพทย์ เช่นเขามีบอกว่าคนส่วนสูงขนาดนี้น้ำหนักควรจะเท่าไหร่ควรตรวจดูอยู่เรื่อยๆถ้ามันเกินนี่แสดงว่าเริ่มเข้าสู่ขีดแดงแล้วเริ่มเข้าสู่การสร้างโรคภัยไข้เจ็บให้กับร่างกายควรพยายามรักษาร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีน้ำหนักไม่ควรเกินแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะไม่มาเบียดเบียน อันนี้พูดถึงเรื่องของอาหารที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายอย่างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ความจริงมีเพียงไม่กี่ชุดก็พอแล้วเพราะร่างกายก็มีร่างเดียวเนเวลาใส่ก็ใส่ทีละชุดเท่านั้นเองเราไม่ได้ใส่ทีละสองสามชุดเนี่เราก็ใส่เพียงวันละชุดถ้ามีสักสามชุดนี้ก็น่าจะพอชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้ สำรองชุดหนึ่งไว้ใส่แค่นี้ก็มีสามชุดก็พออย่างพระท่านก็ให้มีผ้าหนึ่งสำรับก็บพอหนึ่งไตาสามผืนมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วสามารถสลับกันได้เวลาซักผ้าหม่มก็ยังมีผ้าห่มกันหนาวว่าห่มชั่วคราวก่อน แลคุณภาพของผ้าก็ไม่ต้องเป็นของแพงเช่นต้องเป็นผ้าไหมต้องเป็นผ้าอะไรต่างผ้าแพรผ้าอะไรต่างๆมันก็เป็นผ้าเหมือนกันมันก็มาวัใช้สำหรับปกปิดร่างกายหรือป้องกันร่างกายจากพิษของสัตว์มแมลงสัตว์กัดต่อยหรือป้องกันภัยจากอากาศที่หนาวเย็นมันจะเป็นผ้าชนิดไหนมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน อย่างผ้าของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าไปหาผ้าห่อศพเนี่ยผ้าห่อศพที่ที่ชาวบ้านเขาเวลาคนตายสมัยก่อนเขาไม่ได้เอาไปเผาเอาไปฝังเขาเอาไปทิ้งไว้ในป่าชาเพียงแต่เอาผ้าพันศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชาพระที่ต้องการผ้าก็ไปเก็บผ้าที่ห่อศพนั้น เวลาศพเน่าเปื่อยแล้วเหลือแต่โครงกระดูกแล้วผ้านั้นก็ยังใช้ได้อยู่ท่า น, นก็ไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาผ้าเหล่านั้นเขาเรียกว่าผ้าบางสุกุลที่ญาติโยมเวลาถวายผ้าป่านี้อันนี้แหละคือผ้าความจริงผ้าป่านี่คือผ้าป่าช้าผ้าที่เก็บมาจากป่าช้าแต่เราตัดคําว่าช้าออกไป ได้กลายเป็นคำว่าผ้าป่าไปถ้าถ้าอ่านตามภาษาบาลีเวลาเราถวายผ้าป่าเราจะพูดว่าบางสกุลคำว่าบางสกุลก็คือผ้าหอสมนี่เองเป็นผ้าที่พระในสมัยพระพุทธเจ้านี้ใช้ผ้าเหล่านี้กันเพราะไม่ต้องการไปรบกวนชาวบ้านไม่ต้องการที่จะไปขอผ้า ไปรบกวนชาวบ้านรบกวนเพียงอย่างเดียวคืออาหารบินทบาตแล้วก็ไม่ได้ขอด้วยปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยของชาวบ้านใครอยากจะใส่ก็ใส่ใครไม่อยากจะใส่ก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไปบีบบับงคับไปขอแต่อย่างใดส่วนเรื่องผ้านี่พระพอหาได้เองก็เลยไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านไปหาผ้าถอดศพที่ในป่าช้ากัน เรียกว่าผ้าบางสกุลซึ่งสมัยนี้เรายังทําพิธีบางสกุลอยู่คือเวลาคนตายเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าไปวางไว้บนหีบศพแล้วก็สมมุติว่าเป็นผ้าบางสกุลเป็นผ้าหอ่อศพให้ผ้าไปชักผ้าควาจริงมันก็เป็นเพียงแต่ทําพิธีเพื่อให้เราลําลึกถึงอดีตในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงทรงใช้ผ้าอยู่ว่าทรงใช้อย่างไร พระพุทธชจ้าใช้ผ้าหอ่อศพเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ไปกดดันกับจิตใจ <Yeah. S 2> ไม่ให้จิตใจต้องไปคอยกังวลว่าต้องไปหาผ้าชนิดนั้นผ้าชนิดนี้มาใช้ <Yeah. S 2> หาผ้าที่หาได้ <Yeah. S 2> ผ้าผ้าหอ่อศพหรือผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะก็ได้ yeah. ผ้าของพระนี้ไม่ได้เป็นผ้าผืนเดียวนะเป็นผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เอามาปะเอามาเย็ดมาต่อกันจึงมีลายปะเต็มไปหมดนี่คือผ้าของพระในสมัยพระพุท ธ, ธการ<ม>เพราะว่าความจำเป็นของผ้าก็มีเท่านี้มีไว้เพื่อปกปิดร่างกายมีไว้เพื่อป้องกันพิษภัยต่างๆป้องกันอากาศหนาวเย็นเท่านั้นเอง นันจะเป็นผ้าชนิดไหนก็ทําหน้าที่ได้เท่ากันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผ้าไหมผ้าแพรผ้าทอชนิดพิเศษอะไรต่างๆสมัยปัจจุบันนี้พระบางลูกท่านถึงกับต้องเป็นผ้านอกก็มีผ้าสั่งมาจากเมืองนอกก็มีอันนี้เพราะท่านคิดว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระผู้มีมีบารมี ต้องใช้ผ้าที่เหมาะสมกับบารมีของท่านใช้ผ้าธรรมดาทั่วๆไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่สมกับบารมีเลยต้องใช้ผ้าแพรผ้าไหมแล้วก็ต้องเอามาจากประเทศต่างประเทศอันนี้ไม่ได้เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติท่านใช้ผ้าตามมีตามเกิดมากน้อยสันโดษ แล้ไม่ให้มีมากมีมากก็ต้องมาดูแลผ้ามาคอยซักผ้าอยู่เรื่อยๆมีผืนมี ผ, ผืนสองผืนก็ซักแค่ ผ, ผืนสองผืนเท่านั้นมีสามสีผ่ผืนก็ต้องมาคอยซักสามสีผ่ผืนใช้ให้น้อยที่สุดใช้ให้เท่าที่จำเป็นแล้วมันจะไม่มาบีบคั้นจิตใจให้วุ่นวายอันนี้ก็เรื่องของผ้าญาติโยมก็ลองเอาไปใช้เป็นตัวอย่างดูว่าเราต้องมีกี่ชุดกัน ตอนนี้เรามีพอหรือยังเสื้อผ้าถ้าพอแล้วถ้าไปเห็นผ้าเสื้อผ้าตามร้านเห็นแล้วอยากได้ก็อยากไปซื้อมันเพราะมันจะเป็นการไปสร้างภาระให้กับจิตใจเพราะต้องใช้เงินใช้เงินเมื่อใช้เงินไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ต้องไปหาเงินมาใหม่ก็เป็นการสร้างภาระให้กับจิตใจแทนที่จะทำให้ใจเกิดความสุขกลับไปสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจ ความสุขที่ได้จากการได้เสื้อผ้าชุดใหม่มานี่มันเป็นความสุขปลอมความสุขเดียวนะเดียวนั่นเองเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีใจพอสองสามวันผ่านไปแล้วมันก็รู้สึกเฉยเฉยแล้วเห็นชุดนั้นทีไรก็รู้สึกไม่มีความรู้สึกเหมือนกับตอนที่ได้มาจากร้านใหม่ๆนะไ่ได้จากร้านใหม่ๆแล้วโหวดีอกดีใจคิดว่าจะเป็นนางงนางงามขึ้นมาหรเป็น น, นายบกนายบขึ้นมา พอใส่ไปสักครั้งสองครั้งก็เหมือนเดิมตัวเก่าคนเก่าเนี่ยกิเลสมันหลอกคอยมาบีบคั้นจิตใจมาสร้างความทุกข์ให้เกิดจิตใจเราต้องใช้เหตุผลในการบริโภคกัดใจสี่ให้มีอความพอเพียงต่อความต้องการเช่นเราเป็นนักเรียนเราก็มีชุดนักเรียนอยู่สองสามชุดก็พอลนะ แล้วก็ชุดไปเที่ยวสักสองสามชุดก็เหลือเฟือแล้วมีไว้เปลี่ยนไว้อะไรก็พอเพียงละไม่จำเป็นต้องมีอาหามีเสื้อผ้าหลายหลายตู้ด้วยกันบางคนใช้ห้องนอนเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าก็มีเต็มไปหมดมเพราะว่าเวลาเห็นเสื้อผ้าที่ขายตามร้านใหม่ๆแล้วเห็นแล้วถูกใจอยากได้ก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็อาจจะใส่เพียงครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใส่ก็แขวนไว้ ซื้อมามากขึ้นตู้ก็ไม่พอใส่ก็เลยทำห้องกลายเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าไปเลย อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องของความไม่รู้จักความพอดีปล่อยให้จิตใจถูกอำนาจของกิเลสความโลภความอยากได้ชักนำไปซึ่งจะนำไปสู่ความทุกข์ ว่าจะต้องคอย ห, หาเงินมาซื้อของเหล่านี้อยู่เรื่อยๆนั่นเองดงนั้นเสื้อผ้าก็ขอให้ใช้เท่าที่จําเป็นมีเท่าที่จําเป็นก็พอบ้านก็เหมือนกันที่อยู่อาศัยมีหลายราคามีตั้งแต่ราคาถูกคือบ้านเช่าเดือนละสองสามพันก็อยู่ได้แล้วไปถึงบ้านราคาสามสิบล้านสี่สิบล้านมันก็บ้านเหมือนกันแหละ มันก็เป็นที่หลบดดหลบฝนเหมือนกันนหละแต่ภาระมันต่างกันนะภาระที่จะมากดดันจิตใจถ้าซื้อบ้านราคาแพงแพงถ้าเงินไม่พอก็ต้องไปผ่อนไปกู้แล้วก็ต้องไปดิ้ น, นรนทำมาหากินแล้วดีไม่ดีก็อาจจะไปทำผิดไปทำผิดกฎหมายไปช่อดช่อลอกลวงช่อกโกงอะไรต่างๆ เพื่อที่จะได้เอาเงินมาตอบสนองตันหาความอยากที่อยากจะมีบ้านหรูหรามีบ้านใหญ่โตมีบ้านสวยๆงามๆมันไม่คุ้มหรอกทำให้จิตใจนี่เครียดแล้วบางทีถ้าเกิดยุคเศรษฐกิจตกต่ำเงินหมุนไม่ทันในที่นี้ก็อาจจะต้องขายบ้านหต้องย้ายออกจากบ้านแล้วก็ได้ อันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความทุกข์ให้กับใจถึงแม้ว่าจะสร้างความสุขให้กับทางร่างกายมันก็ไม่คุ้มกันส่นถ้าเป็นแบบนั่งน้อยก็เช่ามันอยู่ไปเป็นไงห้องเช่าเดือนละสามพันนี่ก็สบายแล้วสมัยนี้ติดแอร์ให้ด้วย <Yeah. S 1> อพาร์ตเมนต์เต้นไปหมดยนี้เดือนละสามพันนี่มีเด็กมาขอค่าเช่าขอพัก ให้ส่งบินมาให้ดูว่าเดือนละ3 0 0ถ่ายรูปมาให้ดูมีแอร์ด้วยอย่างนี้อยู่ได้แล้วแค่นี้เดือนละ3 0 0ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินซื้อบ้านสร้างบ้านกันให้เหนื่อยไปเปล่าลตายไปก็เาบ้านไปไม่ได้อยู่ดีตายไปก็ทิ้งให้คนอื่นไปแต่เวลาอยู่นี้ดิ้นรนดิ้นรนหาเงินหาทองมาเลี้ยงร่างกาย จนจนจิตใจนี้ไม่มีความสุขเลย <Yeah. S 2> ดังนั้น <Yeah. S 2> พยายามมักน้อยใช้หลักมักน้อย <Yeah. S 2> ถ้าเรามีน้อยจริงๆก็เช่าบ้านอยู่ก็ได้ถ้าเรา ม, มีมากเราคิดว่าซื้อบ้านเป็นการลงทุนก็ซื้อไปก็ได้เผื <Yeah. S 2> ่อวันช้างหน้าเวลาไม่มีเงินเราก็อาจจะขายบ้านเอาเงินเอาเงินบ้านมาใช้ก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง แต่ยยาใช้มันเพราะว่าเราอยากได้ของสวยงามของหรูหราของแพงๆเพราะคิดว่าอยู่แล้วจะมีความสุขมไม่ต่างกันหรอกคนที่อยู่บ้านสามสิบล้านกับคนเช่าหอพักเดือ 35, <ม>้อละสามพันห้าเวลาหลับมันไม่รู้เลย ว, ว่ามันหลับในบ้านชนิดไหนหรอกมันก็หลับเหมือนกันดีไม่ดีคนอยู่บ้านสามสิบล้านอาจจะนอนไม่หลับก็ได้เพราะกังวลกับเรื่องนี่ที่จะต้องมาจ่ายบ้านค่าบ้านคนที่ จน้อยก็นอนหลับปุ๋ยสบายไม่เครียดกับการกังวลนี่คือเรื่องที่อยู่อาศัยก็เอาแบบมักน้อยสันโดษดีที่สุดแล้วยารักษาโรค ก, ก็เหมือนกันยารักษาโรคก็มีตั้งแต่30บาทไปถึง33 0 0 0แสนบาทรักษาโรงพยาบาลรัฐเขาก็เก็บแค่30บาทไปเอกชนก็ดีไม่ดีก็30สแสน3ล้าน แล้วแต่ว่าโลกจะหนักหรือจะเบานะงนั้นมันก็ถ้าหายมันก็หายเหมือนกันแหะถ้ามันตายก็ตายเหมือนกันโรงพยาบาลแพงๆไม่ใช่ว่าจะรับประกันว่าจะไม่ตายนะคนไปตายที่โรงพยาบาลแพงๆก็มีคนตายที่โรงพยาบาลถูกๆก็มีดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ราคาหรอกเพราะว่าอยู่ที่โลกและอยู่ที่ยาว่ามันเข้ากันได้หรือเปล่า ถ้ามันเข้ากันได้มันก็หายได้ถ้ามันไม่เข้ากันมันก็ไม่หายดังน mm ั hmm. ้นก็อย่าไปกังวลกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บมากจกนเกินไปพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เรา mm hmm. พิจารณาว่าร่างกายเราเกิดมานี้มันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนและในที่สุดก็ต้องตายกันไปด้วยทุกคนดังน mm ั hmm. ้นเราจะไม่ควรมาเครียดกับเรื่องของร่างกาย ถ้าเรารู้จักกลัดความจริงของร่างกายว่าก็เลี้ยงมันไปตามตามอัตภาพอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปก็เท่านั้นไม่ ว, ว่าจะมีเงินสามสิบล้านหรือสามสิบาทถ้ามันเจอโรคแบบเดียวกันมันก็ตายเหมือนกันถ้ามันจะหายมันก็หายเหมือนกันนี่คือ เรื่องของปัจจัยสี่ของทางร่างกายขอให้เราใช้หลักมากน้อยสันโดษแล้วจะดูแลร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขได้ไม่ทุกข์ที่เกิดจากการอดยาขาดแคลนไม่เกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาเพราะมียารักษาโรคมีที่หลบภยัยหลบแดดหลบฝนคือมีบ้านที่อยู่อาศัย อย่าไปดูที่ราคาอย่าดูที่อยู่ที่การใช้สอยว่าใช้งานได้หรือเปล่าตอบสนองความต้องการของร่างกายได้หรือเปล่าถ้าตอบสนองได้ก็โอเคจะอยู่บ้านเช่าก็ได้จะซื้อบ้านอยู่ก็ได้มันก็เป็นบ้านเหมือนกันเป็นที่หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันแล้วจะทำให้เราไม่ต้องมีภาระกดดันทางจิตใจ แล้วเราจะได้มาห า, ามามาดูแลจิตใจต่อไปนี้สุดนี้คือส่วนของร่างกายการเลี้ยงดูร่างกายต้องเลี้ยงดูด้วยปัจจัยสี่และด้วยความมากน้อยสันโดษแล้วจะทำให้ไม่ไปทำให้จิตใจวุ่นวายไม่ต้องทุกข์มากจนเกินไปแต่ร่างกายจิตใจของเรายัางต้องการความดูแลมากกว่านี้ด้วย จิตใจของเราจะมีความสุขหรือกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่มีมาเข้ามาในจิตใจอยู่เรื่อยๆนอกเหนือจากความวุ่นวายในการเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วมันยังมีความวุ่นวายเกี่ยวกับการที่เราจะต้องไปพบปะกับเหตุการณ์ต่างๆที่มาทำให้ใจเราเครียดใจเราทุกข์กันไม่มีความสุขกันเพราะว่าใจของเราขาดปัดจจัย4ี่เหมือนกัน ร่างกายต้องการปัจจัยสี่ใจของเราก็ต้องการปัจจัยสี่เช่นเดียวกันแต่ปัจจัยสี่ของใจต่างกับปัจจัยสี่ของร่างกายคืออาหารของใจนี้ต่างกับอาหารของจิตใจของร่างกายอาหารของจิตใจคืออะไรคือการทำบุญทำทานนี่แหละเวลาใจเราหิวอยากจะได้ของฟุ่มเฟือยอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อย่าไปทำตามความอยาก พราสิ่งที่ใจอยากเหล่านั้นเป็นเหมือนยาเสพติดอยากเที่ยวมันก็เหมือนอยากจะเสพเสพ บ, บุหรี่เสพกาแฟเสพสุราเป็นต้นมันเสพแล้วมันมีความสุขแต่มันทำให้ติดแล้วเวลาไม่ได้เสพไม่มีเสพมันจะทุกข์เช่นอยากจะไปเที่ยวเราก็พามันไปเที่ยวแต่พอวันไหนไม่มีเงินไปเที่ยวหรือไปหรือช่วงนี้ถูกควบคุมบังคับไม่ให้ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้าน มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขให้กับใจหาอาหารให้กับใจวิธีที่จะหาอาหารให้กับใจก็คือวิธีทําบุญทําทานนี่แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวหรือเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาไปทําบุญทําทานกันแทนทําบุญทําทานแล้วเราจะเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแล้วความหิวความอยากไปเที่ยวอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยมันจะ หายไปแล้วต่อไปถ้าวันไหนเราไม่มีเงินไปทำบุญเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดเพราะการทำบุญนี้ไม่ได้ทาให้เราติดเหมือนยาเสพติดถ้าไม่มีไม่มีทาเราก็ไม่เดือดร้อนไม่มีทำบุญเราก็ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับถ้าไม่มีเงินเที่ยวเราจะเดือดร้อนไม่มีเงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราจะเดือดร้อน แต่ไม่มีเงินทาบุญจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าบุญนี้ไม่เป็นเหมือนยาเสพติดบุญเป็นเหมือนอาหารของใจที่จะทำให้ใจนี้มีความอิ่มเป็นเวลายาวนานทำบุญไปหลายวันหลายเดือนบางทีคิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้ก็ยังทำให้เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอยูนะ่นี่คืออาหารของใจถ้าอยากให้ใจมีความสุข อย่าเอาเงินไปซื้อของฟุม่มเฟือยอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปไปเที่ยวก็สนุกสนานกันพอกลับมาบ้านความสนุกสนานนั้นก็หายไปพออีกวันต่อมาก็เกิดความหิวเกิดความอยากออกไปเที่ยวใหม่ แล้วถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็เกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาแต่ถ้าทำบุญแล้ววันนี้ทำบุญแล้วพรุ่งนี้ก็ยังอิ่มอยู่ความอยากไปเที่ยวก็ไม่มีเพราะเราตัดมันด้วยการไม่ทำตามมันทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเราก็เอาเงินไปทำบุญแทนทุกครั้งที่เราอยากจะซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เอาไปทำบุญแทนต่อไปความอยากเหล่านั้นก็จะหายไป ทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้อยู่ติดบ้านทำให้ไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าเวเพราะเรามีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้จิตใจอิ่มเอิบตลอดเวลานี่ก็คืออาหารของจิตใจถ้าอยากจะมีความสุขใจก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขใจ จากการไปเที่ยวจากการไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาซื้อความสุขทางใจด้วยการทาบุญทาทานทาบุญทาทานนี่ก็ทำได้ทำกับใครก็ได้ทากับบุคคลแรกที่เราควรจะทำด้วยก็คือบิดามารดาของเรานี่แหละถ้าอยากจะทำบุญอยากจะมีความสุขทำให้กับบิบดามารดาของเราก่อนถ้าท่านต้องการให้เราทำอะไรให้กับท่านทำให้ท่านเถิด ท่านอดอยากขาดแคลนก็เลี้ยงดูท่านแม่ท่านอดอยากขาดแคลนท่านต้องการจะไปไหนให้เราพาไปก็พาไปทำบุญกับพ่อแม่ก่อนทำกับคนที่สำคัญของเราที่สุดคือพ่อแม่ของเราก่อนตอบแทนบุญคุณของท่านให้ที่ท่านให้กําเนิดเรามาก่อนเลี้ยงดูเรามาทำให้เราโตขึ้นมาได้ทำให้เราเป็นตัวของเราเองได้นี่ก็พ่อพ่อแม่นี่แหละเป็นผู้ทาให้กับเรา ดัเวลาที่ท่านเดือดร้อนท่านต้องการความช่วยเหลือเราต้องดูแลพ่อแม่ก่อนทำบุญกับพ่อแม่ก่อนถ้าพ่อแม่พอได้ดูแลพอเพียงไม่เดือดร้อนแล้วเราอยากจะไปทำที่อื่นต่อก็ได้ที่อื่นที่เราควรจะไปทำก่อนคือที่ไหนก็คือที่วัดนี่เพราะวัดนี้เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเรา<ม>เป็นเหมือนโรงพยาบาลทางจิตใจเวลาเราไม่สบายใจเราเข้าวัดกันวัดมีที่รักษาใจ มีที่ให้เราไหว้พระสวดมนต์มีที่ให้เราปฏิบัติธรรมมีที่ให้เรารักษาศีลซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาจิตใจให้จิตใจเราสงบให้เราลดความทุกข์ให้น้อยลงไปได้หรือให้ความทุกข์หายไปหมดได้เะฉั้นเราต้องดูแล ว, วัดวารามก่อนดูแลพระพุทธศาสนาก่อนยกเว้นว่าถ้าพระพุทธศาสนามีพร้อมแล้วมีเหลือเฟือแล้วมีเกินแล้ว ก็จะไปทำบุญที่อื่นก็ได้เช่นอาจลงพยาบาลอาจจะขาดแคลนเราก็ต้องช่วยสนับสนุนลงพยาบาลเพราะเราก็ต้องอาศัยลงพยาบาลร่างกายของเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องไปลงพยาบาลกันลงพยาบาลอาจจะขาดเครื่องไม้เครื่องมือเพราะอาจจะไม่มีงบประมาณเราก็ช่วยกันช่วยกันบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆตามกาลังของเราก็ได้ หรือเราจะไปทําที่โรงเรียนก็ได้โรงเรียนก็อาจจะมีการขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือหรือเด็กขาดอาหารกลางวัน <c oughs> เด็กกอดยาขาดแคลน <c oughs> เด็กนักเรียน <c oughs> ยากจนเราก็ช่วยกันบริจาคเงินให้โรงเรียนไปก็ได้อันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันได้ผลเหมือนกันคือทําให้ใจเราอิ่มเหมือนกันทําบุญกับพ่อแม่ก็อิ่มทําบุญกับวัดก็อิ่มทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงเรียนก็อิ่มเป็นการทําบุญเหมือนกัน เพียงแต่เราไปแยกมันเองว่าทำกับวัดเป็นการทำบุญทำกับที่อื่นเป็นการทำทานเหมือนกันบุญกับทานนี้อันเดียวกันคจยิงคำว่าทานนี้เป็นกิริยาเป็นการกระทาส่วนบุญนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำการทำทานนี้แปลว่าการให้ให้ข้าวของเงินทองที่เรามีเกินกว่าความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็ ก็ทำทำให้เรามีอาหารใจนั่นเองการทําบุญทําทานนี้เป็นการให้อาหารกับใจของเราเลือกให้ตามอธัธยาศัยบางทีเราทําบุญแล้วรู้สึกไม่อิ่มใจก็เพราะว่าเราอาจจะทําไม่ถูกถูกเรื่องที่เราชอบควรจะเลือกทําในบุญที่เราชอบทำํำเพราะบุญนี้เป็นเหมือนอาหารเวลารับประทานอาหารบางทีรับประทานแล้วรู้สึกไม่อิ่ม ไม่ไม่สุขอาจจะอิ่มแต่ไม่สุขเพราะรับประทานอาหารที่ไม่ไม่ไม่ชอบเนี่ยแต่พอรับประทานอาหารที่ชอบมันทั้งอิ่มแล้วมันทั้งสุขด้วยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราทำบุญเราอาจจะอิ่มใจแต่อาจจะไม่สุขใจเพราะเราไปทำบุญที่เราไม่ชอบทำก็ได้เ ร, เราต้องเลือกบุญที่เราชอบเราชอบทำบุญกับวัดก็ทาบุญกับวัดชอบทาบุญกับโรงพยาบาลกับโรงเรียนก็ เ, นนเลือกทำเอา รับทำบุญกับคนที่ตกทุกข์ยากไร้ก็ทำกับเขาไปอย่างไหนก็ได้แตอย่างแน่นอนก็คือได้ความอิ่มใจได้อาหารใจเหมือนรับประทานอาหารรับประทานอาหารที่เราชอบไม่ชอบมันก็ทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันแต่อาจจะไม่มีความรู้สึกสุขเท่ากันนั่นเองอันนี้คืออาหารของใจคือการทำบุญทาทานส่วน เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มของใจคืออะไรก็คือศีลธรรมนี่เองศีลธรรมนี่แหละที่จะทําให้จิตใจของเราสวยงามเราจะป้องกันภัยที่จะมากระทบกับกับจิตใจของเราภัยที่จะมากระทบกับจิตใจของเราคืออะไรก็คือความทุกข์และอบายใจของเราที่ ถ้าทำบาปแล้วนี่ไม่มีศีลแล้วเนี่ยจะจะจ ะ, จะมีความทุกข์ใจสังเกตดูเวลาเราทำบาปเวลาทำโกหกคนเมื่อว่าเวลาไปลักทรัพย์ของคนอื่นเวลาไปทำร้ายคนอื่นนี้ใจของเราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเนี่ยใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะ ใจของเรายัางต้องไปรับผลของบาปที่เราทำต่อไปคือไปอยู่ในอบายนั่นเองไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรก<ม>เพราะเราไม่มีศีลธรรมเราไม่มีเครื่องปกป้องภัยให้กับจิตใจเหมือนกับร่างกายถ้าร่อนจ้อนเดี๋ยวก็ถูกอากาศหนาวเย็นทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถูกมาลางสัตว์กัดต่อยทำให้มีแผลเบลอทั่วตัวไปหมด อันนี้ก็เหมือนกันเสื้อผ้าอ่ร์ของจิตใจคือศีลและธรรมถ้าเราอยากจะให้จิตใจเราปลอดภัยจากภัยต่างๆที่จะมาคุกคามจิตใจให้เรารักษาศีลห้าไว้ให้ดีแล้วเดรัจฉานมันจะไม่มาเปรมันจะไม่มาอาสุรกายมันจะไม่มานรกมันจะไม่เข้ามาในใจของเราแต่ถ้าเราทําบาปเมื่อไหร่แล้วภัยเหล่านี้มันจะเข้ามาในใจของเราทันที อย่างนี้เป็นการป้องกันภัยและเป็นการเสริมความงามเหมือนกับเสื้อผ้ า, าพรของร่างกายเราเวลาเราใส่เสื้อผ้ า, าพร์ที่ชุดชุดที่สวยๆงามๆนี้ใครเห็นแล้วก็ยิ้มแป้นกันหมดเพราะว่า น, นี้เด็กใส่ชุดลอยกระทงกันมาใส่บาทชุดไทยใส่ลอยกระทงแต่งหน้าแต่งตาหน่อยโอย้ดูแล้วสวยงามเห็นแล้วคนเขาก็ชื่นชมยินดี yeah. Yeah. เครื่องเสริมสวยความงามของจาน ก, ก็คือศีลห้านี่แหละ คนที่มีศีลห้านี้เป็นคนน่ารักน่ า, น, าน่านับถือน่าคบค้าสมาคมด้วยเพราะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนั่นเองต่างจากคนที่ไม่มีศีลห้านี่คนที่ไม่มีศีลห้านี้ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ถ้ารู้ว่าเขาเป็นฆาตรกรมาก่อนนี้ถึงแม้จะออกมาจากคุกแล้วก็ยังไม่อยากจะจ้างเขามาทางานที่บริษัทหรือถ้าเขาไปติดคุกติดตารางเพราะไปช่อกง เราก็ไม่อยากที่จะมาจ้างเขามาทํางานกับเราดังนั้นคนคนที่ไม่มีศีลธรรมนี้เป็นคนที่เหมือนกับไม่มีเสื้อผ้าเป็นคนล่อนจ้อนเหมือนเหมือนชีปเปื่อยสังเกตดูถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วเราไปสมัครการดูจะมีที่ไหนเขาจะรับเราออันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศีลหา้าไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่อยากจะรับเราเข้าทํางานดังนั้นนี่คือเสื้อผ้าผ่อนของจิตใจน ที่เราต้องมีกันคือพยายามรักษาศีลห้าให้ได้กันแล้วเราจะเป็นคนที่ปล อ, อดภัยจากภัยคืออบายไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดจากการทำทำบาปต่างๆแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักน่าน่าคบค้าสมาคมด้วยจะอยู่กับใครจะไม่มีใครเข้ารังเกียจเราเขายินดีต้อนรับเราเสมอถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนที่ไม่เบียดเบียนไม่ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนี่คือการจะทําให้จิตใจเรามีความสุขปราศจากความทุกข์ก็คือการมีเสื้อผ้ า, อาพอไว้สวมใส่นอกจากเสื้อผ้ า, อาพอแล้วเราก็เราก็ต้องมีปัจจัยชนิดที่สให้กับจิตใจคือที่อยู่อาศัยอะไรคือที่อยู่อาศัยของจิตใจก็คือการเข้าสมาธินี่ ถ้าใจเข้าไปในสมาธิแล้วก็เหมือนกับเข้าไปในบ้านเนยเอ็นตอนนี้ถ้าเกิดฝนตกนี่เราต้องรีบหาที่หลบฝนกันละต้องเข้าไปที่มีมีร่มกันฝนกันพอมีร่มกนันฝนฝนก็จะไม่ทําให้เราเปียกฉันใดใจของเราก็ต้องมีที่หลบหลบความทุกข์ใจนี้เองความทุกข์ใจที่เกิดจากเรื่องวุ่นวายต่างๆเดี๋ยวเจอกับคนนั้นเจอกับเรื่องนี้ แล้วก็มีปัญหากันเกิดขึ้นมาก็ทำให้ทุกข์ใจได้วุ่นวายใจได้ถ้าเรามีสมาธิมีบ้านไม่หลบพอเราไม่สบายใจเราก็นั่งหลับตาพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกไปเดี๋ยวไม่นานเรื่องราววุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปอันนี้คือบ้านของใจคือสมาธิทำไมเราจริงต้องมาฝึกสมาธิกันเราต้องมาสร้างบ้านให้กับใจสร้างที่หลบภัยให้กับใจ เวลาใจของเรามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจต่างๆนี่เราจะต้องใช้บ้านเป็นที่หลบแต่เราก็อยู่ในบ้านไปตลอดไม่ได้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องออกมามาทําธุรกิจมายุ่งเกี่ยวกับคนอื่นอีกเฉั้นวิธีที่เราจะทําให้ใจเราไม่ทุกเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในบ้านอยู่ในสมาธิเราก็ต้องมียาเพราะความทุกข์ใจความวุ่นวายใจนี้มันเป็นเหมือนโรคของใจเหมือนกับโรคของร่างกาย เวลาร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องกินยากันปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวปวดท้องก็กินยาแก้ปวดท้องปวดเขาก็กินยาแก้ปวดเข่าไปพอกินเข้าไปยาก็เข้าไปรักษาโรคได้ยันไดเวลาเรามีความทุกข์ใจแล้วเราไม่สามารถหลบเข้าไปในบ้านได้เราก็ต้องกินยายาที่จะมาทำให้ความทุกข์ใจหายไปคืออะไรก็คือปัญญา ปัญญานี้จะเป็นยารักษาโรคใจเราเรียกว่าธรรมโอสถถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถระ ง, งับความทุกข์ใจได้เพราะว่าเราเราจะไประ ง, งับเหตุที่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับใจของเรานั่นเองเหตุที่ทำให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นคืออะไรก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความอยากความโกรธ ต, ต่างๆที่เวลาโกรธขึ้นมาแล้วเนื่อ เนื้อตัวสั่นไปหมดใจสั่นไปหมดแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถระ ง, งับความอยากต่างๆได้ปัญญาคืออะไรคือการเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจของเรามาเกี่ยวข้องด้วยเกิดกับบุคคลต่างๆกับสิ่งของต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆนี้เราไม่รู้หรอว่ามันเป็นอะไรกันแน่เราไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเรา แต่ความจริงแล้วถ้ามีปัญญาจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราเราก็เลยไปคว้ามันมาแต่พอเผลอไปไม่นานสิ่งที่เราคว้า ม, มากับมาสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยไม่รู้สึกตัวสร้างความกังวลใจสร้างความหวาดกลัวให้กับเราขึ้นมาเช่นเราชอบใครรักใครเราก็ไปเอาเข้ามาเป็นคู่ครองของเรา พอเราได้เขามาเป็นคู่ครองแล้วทีนี้เดี๋ยวเกิดเขาเปลี่ยนไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเป็นอะไรไปความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นตามมาทันที<ม>แต่ถ้าเรามีปัญญานี้เราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้มันดีได้วันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้มันก็เสียได้ดังนั้นถ้าเรา ไม่อยากจะทุกข์ใจเรา Eun ก็อย่าไปมีอะไรดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับแฟนเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับแฟนแต่ถ้าต้องอยู่กับแฟนก็ต้องรู้จักทำใจว่าใจว่าแฟนก็ไม่แน่นอนแฟนวันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้อาจจะไม่ดีก็ได้เขาก็เป็นคนที่ไม่แน่นอนสามวันดีสี่วันไข้ถ้าอยากจะอยู่กับเขาก็ต้องรู้จักทาใจรู้จักปล่อยวางใจก็จะไม่ทุกข์ ต้องรู้จักปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาให้ความสุขกับเราต้องรู้ว่าวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ เ, เมื่อถึงเวลานั้นเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักปลงว่าเขอาอเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องยอมรับสภาพตามความเป็นจริงของเขาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเจอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเราเห็นเขาว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นของที่เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่เราควบคุมบังคับใจเราได้ไม่ให้ไปไปวุ่นวายไปกับเขาได้เวลาเขาพูดอะไรเขาทำอะไรถ้าทาให้เราไม่สบายใจเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เรามาเปลี่ยนใจเราได้ว่าความวุ่นวายใจของเราเกิดจากความอยากของเรานี่เองอยากให้เขาพูดดีกับเราทาดีกับเรา พอเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราก็ทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาเราก็เข้าใจว่าอ๋อเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้เราหยุดความทุกข์ใจของเราได้ด้วยการหยุดความอยากของเราอย่าไปอยากให้เขาดีกับเราอย่าไปอยากให้เขาพูดดีกับเราทำดีกับเราก็เท่านั้นปล่อยเขาไปเขาอยากจะพูดไม่ดีทาไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา นี่คือปัญญาคือการเห็นตายรัก์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่ทำตามที่เราอยากเราก็ทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองเราต้องมาเปลี่ยนใจเราต้องมาหยุดใจเรา อย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าไปหยุดเขาเพราะเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้นี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเวลาเรามีความทุกข์ใจเราจะได้รีบกลับเข้ามาแก้ที่ตัวเราทันทีอย่าไปแก้ที่เขาเหมือนกับฝนตกนี่เราไปสั่งให้ฝนหยุดไม่ได้ฝนตกก็ต้องปล่อยให้ฝนตกไปเรามาแก้ที่ตัวเราไปหาที่หลบฝนก็แล้วกันถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สมาธิก่อนถ้ามีสมาธิก็ใช้สมาธิไปก่อน พอมีความทุกข์ใจวุ่นวายใจก็ไปนั่งสมาธิให้มันหายถ้าใช้ปัญญาได้ก็ไม่ต้องไปหาที่นั่งสมาธิมาหยุดความอยากของเราเท่านั้นเองพอเราหยุดความอยากของเราได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปนี่แหละคือการดูแลรักษาใจของพวกเราใจของเราก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกับร่างกายแต่ปัจจัยสี่ของใจไม่ต่างกันตรงที่ว่าอาหารนี้คือการทาบุญเสื้อผ้าคือการ มีศีลธรรมบ้านช่องที่อยู่อาศัยคือมีสมาธิและยารักษาโรคคือการมีปัญญาถ้าเราสามารถหาปัจจัยสี่ของใจมาดูแลใจได้รับประกันได้ว่าใจของเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจของเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเพราะนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงดูแลรักษาใจของท่านและมาสอนให้กับผู้ที่สนใจ จนผู้ที่สนใจนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถรักษาใจของท่านให้ไม่มีความทุกข์ได้ท่านก็เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาพวกเราก็สามารถเป็นพระสาวกได้ถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติกันแล้วเราจะสามารถดูแลชีวิตของเรานี้ให้มีแต่ความสุขให้ปราศจากความทุกข์ได้ตลอดเวลา นี่คือเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ชีวิตของพวกเราที่เอานำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปติ อิติตังปฏติตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรหตุสังกปาจันโทปนาอะระโสยะามณิโชติอะระโสยะาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพโรโขวินัสสตุ มาเตภวตวันตระโยสุขีทีคาโยโกภวะภิวาตนะสีฤิธสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวทานเตอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไป เป็นการถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวก็หลังจากที่เลิกแล้วจะขออนุ ญ, ญาตงดเพราะไม่สะดวกเพราะจะต้องมีการเก็บข้าวเก็บของมีการเคลื่อนไหวมีเสียงดังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นถ้อยากจะถามถามตอนนี้ ถ้าไม่อยากจะให้รู้ว่าใครเป็นคนถามก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้จาก a ฟ e b o o k พระอาจารย์สุ ช, ชาติพิชาโต347 y o อ t ส b e 194เจยทยวิดีออนไลน์ 9, z o o ซูเจผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งรสบรวม699้เกท่านค่ะ okay. ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยนะคำถามจากอินบ็อกซ์ค่ะการตั้งใจครองโสดอยู่คนเดียวจะทำอย่างไรให้อยู่ได้โดยไม่เหงาไม่ฟุ้งซ่านคะเพราะบางทีจะมีความคิดเหงาอยู่อยากมีคู่ครองเหมือนคนอื่นเข้ามาแทรกเป็นบางครั้งค่ะก็ต้องหาความสขจากการทำใจให้สงบเนี่ยฝึกสมาธิฝึกเจริญสติ นั่งสมาธิแล้วก็หมั่นพิจารณาสุภาความไม่สวยงามของร่างกายควาไม่น่าไม่น่าดูน่าชมของร่างกายดูอาการสาสองของร่างกายแต่ดูแต่เฉพาะข้างนอกให้ดูข้างในด้วยร่างกายเรามีทั้งข้างนอกมีทั้งข้างในถ้าเราเห็นส่วนที่อยู่ข้างในมันก็จะทำให้ความรู้สึกอยากจะมีแฟนมันหายไปแล้วความเหงามันก็จะหายไป แต่ถ้าหยุดความอยากนี้ไม่ได้มันก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวเวลาอยู่คนเดียวฉนั้นต้องมันฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็หมั่นพิจารณาสุภาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะอยู่คนเดียวได้คุณประเสริฐศรีขอให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดถึงการที่เราเป็นโรคภัยเป็นมะเร็งค่ะ เราควรมีวิธีคิดอย่างไรเจ้าคะลูกไม่อยากตกอยู่ในความเป็นห่วงเจ้าคะ่ะอ๋อก็พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเหมือนคนไข้เราเป็นเหมือนหมอเราก็ดูแลร่างกายไปเหมือนหมอดูแลคนไข้หมอก็ดูแลให้ยารักษาละไปหมอไม่มาวุ่นวายใจกับคนไข้ใช่ไหคนไข้จะหายหรือไม่หายหมอก็ไม่ได้ เดือดร้อนมากพยายามมองว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่เรานี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเรารู้จักฝึกใจให้มีอุบเบกขาให้วางเฉยถ้าเราวางเฉยไม่ได้เราก็จะมัวแต่ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็จะเกิดความอยากให้มันดีอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วย พอเกิดความอยากมันก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมางั้นเราต้องพยายามหยุดความอยากให้ได้อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปอยากให้มันไม่ตายไม่แก่อย่างนี้อยากไม่ไดนะ้เวลามันจะเป็นไม่มีใครไปห้ามมันได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้ทำใจให้เราอย่าไปอยากวางใจเฉยๆมันไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับเราลองร่างกายของคนอื่น ร่างกายคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้สึกเดือดร้อนไหมเฉยๆนั่นแหละต้องดูร่างกายอันนี้ก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราอย่าไปเถยว่าเป็นของเราตัวเราเือว่าไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับร่างกายคนอื่นแล้วเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนกับโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายมันอยู่ได้ก็อยู่หายรักษาให้หายได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็ให้มันตายไป เราไม่ได้ตายไปกับมันแล้วก็ย้ายบ้านนะั้นร่างกายนี้เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเมื่อบ้านหลังนี้พังก็ย้ายไปอีกหลังหนึ่งดีจะได้ไปถ่ายถ่ายอวัยวะทั้งสามอวัยวะเลย ไ, ไม่ต้องมาถ่ายทีละส่วนถ่ายตับถ่ายไตถ่ายลำไส้นี่ถ่ายทีเดียวสามสิบสองอาการเลยไปเกิดใหม่ถ้ายังอยากจะกลับมาเกิดนะแต่ถ้าเห็นว่าการกลับมาเกิดก็จะมาเจอปัญหาแบบเดิมเองก็ ไปบวชซะแล้วก็ไปฆ่ากิเลสให้มันหมดเราฆ่ากิเลสหมดจากใจแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปคุณกำพลเวลาผมนั่งสมาธิเพื่อดับกิเลสบนเก้าอี้แบบนี้ผมจะไกลอนิสงค์บุญไหมครับเวลานั่งสมาธิบนเก้าอี้มันก็ทำให้นั่งได้อาจจะไม่นานเท่ากับ น, นั่งขัดสมาธิ เพราะนั่งบุญเก้าอี้นี่มันถ้ามันจะไม่ค่อยมั่นคงนั่งไปนานๆเดี๋ยวมันอาจจะเมื่อยอยากจะเองจะล้มได้แต่ถ้านั่งขัดสมาธินี้มันเป็นท่าที่มีฐานที่มั่นคงนั่งได้นานกว่าบุญหรือผลนี่มันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งมันอยู่ที่สติว่ามีสติหรือไม่ถ้ามีสติใจก็นิ่งสงบ ก, ก็ได้บุญถ้าไม่มีสติใจนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านไม่นิ่งก็ไม่ได้บุญ คุณเนถ้าเราตายขณะทำสมาธิขั้นคณิกะอุปจาระอปนาขั้นใดขั้นหนึ่งเราจะอุบัติในภพภูมิใดและถ้าเราเข้าฌานได้จะเป็นเหมือนอาจารย์ของพระพุทธเจ้าหรือไม่ขอรับเหมือนกันนะถ้าจิตมันอยู่ขั้นไหนมันเวลาตายมันก็อยู่ขั้นนั้นถ้ามันอยู่ขั้น พรมันก็อยู่ขั้นพรมอยู่ขั้นเทพก็อยู่ขั้นเทพถ้าอยู่ขั้นมนุษย์ก็กลับมาเป็นมนุษย์ถ้าอยู่ขั้นเดราจฉามันเข้าไปเป็นเดราจฉาคุณรัตนาพรณ์การบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่กับการเลี้ยงดูธรรมดาต่างกันอย่างไรค ะ, ะก็ต่างกันตรงที่ถ้าพ่อแม่เลี้ยง มีคนเลี้ยงดูท่านก็จะได้สบายไม่ต้องเลี้ยงดูเองไม่ต้องเลี้ยงดูตัวเองการบวชนี้ก็เป็นการไปหาธรรมะแล้วพอมีธรรมะก็จะได้อม า, มาสอนพ่อแม่หรือว่าการบวชนี้ก็จะดึงพ่อแม่ให้ไปเข้าวัดตามเพราะลูกอยู่ที่ไหนพ่อแม่มักจะตามไปถ้าลูกไปบวชเดี๋ยวพ่อแม่ก็ต้องไปเยี่ยมที่วัด<ๆ>ก็ต้องไปทำบุญใส่บาตรไปฟังเทศฟังธรรม แลพอได้ฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะเกิดศรัทธาอยากจะทำมากขึ้นอยาก จ, จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยากจะมาอยู่วัดหันนั่งทำสมาธิขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่พ่อแม่จะได้รับจากการที่ลูกมาบวชถ้าลูกไม่มาบวชก็ไม่รู้จะมาวัดทำไมไม่รู้จักใครที่วัดก็จะ จ, จะไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรม ผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลาเดินจงกรมภาวนาคําว่าตายตายตายหรือมองเห็นเป็นกระดูกเท้าก้าวซ้ายและขวาได้หรือไม่ครับไ ด, ได้เห็นทั้งตัวเลยก็ะไรทำไมเห็นแค่กระดูกเท้าเห็นมันทั้งโครงเลยทั้งโครงกระดูกทั้งตัวเลยตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้ามีโครงกระดูกทุกคนเห็นแต่มีหนังหุ้มห่ออยู่หนังเนื้อหุ้มห่ออยู่เลยจึงทําให้มองไม่เห็นโครงกระดูกเท่านั้นเอง คุทีคาชนะเมื่อเรารู้เห็นด้วยสติและปัญญาอยู่กับโลกตามความเป็นจริงไม่หลงไม่เพลินรู้ทั้งโลกเห็นทั้งธรรมไปด้วยตลอดเวลาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตอยู่กับโลกแบบไม่ยึดติดแต่เอาสติเอาธรรมเอาปัญญาเป็นตัวสนับสนุนทำแบบนี้ไปตลอดแล้วควรทำอย่างไรเพิ่มเติมเจ้าคะ่ะยมปฏิบัติธรรมทุกวันไม่ได้ขาดเลยเจ้าคะ่ะ ก็ทําไปเรื่อยๆตราบใดที่เรามีไม่มีความทุกข์ก็ใช้ได้ที่ปฏิบัติทิก็เพื่อไม่ให้เรามีความทุกข์กับอะไรเท่านั้นเองถ้ามีความทุกข์ก็ต้องแก้มันให้ได้ยังมีเรื่องที่อาจจะทําให้เราทุกข์ที่เรายังทําไม่ได้คือเวลาเราแก่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีคุณยายมานั่งบ่นเรื่องเป็นคนแก่นะเป็นโรคภัยต่างๆรุมแล้ว เราจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ได้หรือเปล่าตอนนี้ร่างกายเรายังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เราอาจจะคิดว่าเราไม่มีความทุกข์แต่ต่อไปเวลาร่างกายมันเริ่มแก่เริ่มเจ็บนี่เริ่มจะตายนี่ดูซิว่าเรายัางจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ได้หรือเปล่า พุทแม่บางครั้งเราเห็นภาพน้ำเหลืองน้ำหนองจนเกิดอาการอยากอาเจียนเป็นเพราะอะไรเจ้าคะหรือว่าเราคิดไปเองเป็นเพราะกิเลสมั้งกิเลสไม่ชอบของอของน่าเกลียกกิเลสชอบของสวยสวยงามงา ม, มันจะมีปฏิกิริยากับสิ่งที่มันเห็นแต่เห็นสิ่งที่มันชอบมันก็จะเกิดปฏิกิริยาอย่างหนึ่งแต่เห็นในสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็จะเกิดปฏิกิริยาอีกอย่าง แต่ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ออนนั้นกิเลสมันก็จะถูกตัดกำลังลงเราจะทำให้เราเห็นเราจะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบได้คุณจิมขณะถืออุโบสถศีลสามารถเดินเพื่อออกกำลังกายได้ไหมเจ้าคะได้ก็เดินจงกรมเนี่ยพาก็เดินจงกรมเดินบินทะบาทเดินให้มีสติสารวมอยู่ในกิริยาการสำรวมอย่าไปกระโดดโล ด, ดเต้นก็แล้วกัน คุณสิริรัก์จิตรวมในขณะไม่ได้นั่งสมาธิได้ไหมคะได้ท้าจินมีอะไรมาทำให้กระทบจิตบางทีมันก็รวมได้คุณครับถ้าเราซื้อปลามาปล่อยในบ่อที่บ้านได้ไม่กี่วันแต่ตอนหลังปลาที่เอามาปล่อยหายไปหมดไม่ทราบว่าถูกปลาหรือเต่ากินหรือเปล่ารู้สึกไม่สบายใจเลยเช่นนี้เราจะบาปไหมเจ้าคะ เราไม่ได้เป็นคนฆ่าคงไม่บาปแต่เราก็มีส่วนไปสนับสนุนให้เข า, เาตายได้เป็นทางที่ดีอ่าไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นดีกว่าถ้าจะปล่อยก็ปล่อยในที่ปลอดภัยดีกว่าไปปล่อยในในแม่น้ําลําคลองที่ไหนที่เขาจะได้ เ, เป็นอิสระอยู่อย่างอย่างปลอดภัยอาจารย์เอออยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าลูปาธาตุกับ อรูปธาตุเนี่ยมันมันต่างกันตรงไหนอะค่ะคือคำว่ารูปะคับอรูปะนี้เขาพูดถึงรูปฌานกับอรูปฌานฌานนี้คือความสงบนี้มีอยู่สองระดับด้วยกันคือรูปฌานมีหนึ่งถึงสแล้วอรูปฌานก็มีอีกหนึ่งถึงสี่คือความสงบของจิตเล้วกเรียกว่าอรูปฌานอรูปอะรไดแต่คําว่าอรูปธาตุนี่เพิ่งได้ยินวันนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะหมายถึงชาญทั้งสองระดับนี้หรือเปล่าไม่รู้หนูได้ยินที่ว่าลูบลูล ป, ประพรมกับอลูบ ป, ประพรมนั่นแหละอาลูล ป, ประชาหรือรูบ ป, ประชาถ้ารูบ ป, ประพรมนี่หมายถึงว่ามีมีขันอยู่แค่สี่ขันถูกไหมคะขันยังไม่อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่มันสงบมันนิ่งมันไม่ทํางานค่ะฝนตกพอดี